วันนี้สดแล้วใช่ไหมสดนะครับวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในบรรยากาศแบบสดสดร้อนร้อนวันนี้ก็จะขอแบ่งเวลาเป็นสองช่วงด้วยกันคือช่วงแรก จะเป็นการพูดในภาษาไทยส่วนช่วงที่สองตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงไปแล้วจะเป็นช่วงภาษาอังกฤษเพราะมีชาวต่างชาติได้ส่งคำถามเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษเป็นจำนวนพอสมควรก็จะขอใช้เวลาตั้งแต่ บ่ายสามไปเพื่อตอบปัญหาเป็นภาษาอังกฤษในช่วงแรกนี้ก็ขอคุยธรรมะสนทนาธรรมกับท่านทั้งหลายผู้ที่มีความยินดีมีความสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าที่เป็นคําสอนที่ประเสริฐเลิศโลกที่ไม่มีคําสอนของผู้ใดในโลกนี้จะมีคุณมีประโยชน์เท่ากับคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่สามารถ ดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ความรู้ต่างๆหรือคำสอนต่างๆของผู้อื่นจะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดไปได้กลับแต่จะเพิ่มให้เกิดความทุกข์ของใจ เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความไม่รู้จักธรรมชาติของใจไม่รู้จักว่าใจนี้เป็นอะไรทุกข์ด้วยเหตุใดและบททุกข์ได้ด้วยเหตุใดมีพระพุทธเจ้าเป็นพรอองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงคนพบ ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของใจที่พวกเรามีกันทุกคนพวกเรามีใจและมีร่างกายเรารู้จักเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นแต่ใจนี้เราไม่รู้จักเพราะเรามองไม่เห็นใจ ใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายใจจึงไม่เห็นใจของตนเองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากตนเองเหมือนกับร่างกายนี่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีกระจกร่างกาย ก, ก็จะไม่เห็นร่างกาย เห็นแต่สิ่งต่างๆออกจากทางร่างกายไปเห็นสิ่งต่างๆผ่านทางตาของร่างกายถ้าไม่มีกระจกสะท้อนเงาของร่างกายก็จะไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของร่างกายใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีกระจกสะท้อนให้เห็นใจใจก็จะไม่เห็นใจ กระจกที่จะสะท้อนให้เราเห็นใจคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นใจเหมือนกับร่างกายที่เห็นผ่านทางกระจกเราจะเห็นร่างกายได้ก็ต่อเมื่อเรามีกระจกส่องร่างกาย ถ้าเราไม่มีกระจกสองร่างกายนี้เราจะไม่รู้ว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรแต่ที่เรารู้กันว่าหน้าตาเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เพราะเรามีกระจกฉันใดถ้าเรามีพระธรรมคำสอนเราก็จะเห็นใจของเราเราจะได้รู้จักใจของเรา เราจะได้รู้ว่าใจของเรานั้นเป็นอย่างไรเวลาใจเราสุขสุขเพราะอะไรเวลาใจของเราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนี่แหละคือสิ่งเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่จะทำให้เรารู้จักกับใจของเราและรู้จักวิธีที่จะทำให้ใจของเรานั้น มีแต่ความสุขตลอดเวลาและกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของพวกเราให้หายไปหมดจะไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจของเราเลยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกายของเราก็ตามเช่นตอนนี้พวกเราก็รู้ว่า เรากำลังถูกโรคระบาดถูกไวรัสโควิด19มาบุกรุกทำร้ายร่างกายของพวกเราใจของพวกเราที่ไม่มีธรรมะที่ไม่รู้จักวิธีป้องกันความทุกข์ต่างๆก็จะเกิดความทุกข์กันขึ้นมา แทบจะได้ว่าคนทั้งโลกในขณะนี้คือใจของคนทั้งโลกมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียดกันกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายกันทุกคนนั่นเพราะว่าไม่มีธรรมะไม่รู้จักคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาไ ม, ไม่ได้ปฏิบัติ ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้แต่สำหรับท่านที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติท่านก็จะรู้ว่าตอนนี้การศึกษาการปฏิบัติของท่านนั้นอยู่ในขั้นไหน เวลาที่เราไปปฏิบัติตามสถานที่ปฏิบัติต่างๆเขามักจะบอกว่าต้องไปสอบอารมณ์กับอาจารย์เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านความจริงการสอบอารมณ์ที่แท้จริงนี้ไม่ได้สอบจากอาจารย์เราสอบจากเหตุการณ์จริงๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้คือในขณะนี้เรามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายของพวกเราใจของเราเป็นอย่างไรใจของเราเป็นปกติหรือใจของเราไม่เป็นปกตินี่แหละคือการสอบอารมณ์ที่แท้จริง สอบด้วยเหตุการณ์จริง <Yeah. S 1> ข้อสอบของอารมณ์ของพวกเราก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายของร่างกายนี้ <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีเหตุการณ์จริงนี้เราอาจจะหลอกตัวเราเองก็ได้ว่าเราสอบผ่านเอ้ยไม่กลัวหรอกความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาทุกคนก็เกิดมาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกัน ไม่กลัวหรอกเรื่องของความตายเพราะเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ตอนนี้แหละเราจะได้รู้ความจริงว่าการปฏิบัติของเรานีคืบหน้า หรือยังไม่คืบหน้าสอบได้หรือสอบตกตอนนี้ดูที่ใจของเราใจของเรายังกลัวกันอยู่หรือเปล่ายังกลัวกับโรคภัยที่กำลังระบาดนี้อยู่หรือเปล่ายังทุกยังไม่สบายใจอยู่หรือเปล่ายังกลัวความตายอยู่หรือเปล่านี่แหละ เนโอกาสที่พวกเราจะได้พิสูจน์จะได้ทําข้อสอบกันต้องเวลามีเหตุการณ์จริงปรากฏขึ้นมาถ้าเราไม่รู้สึกเดือดร้อนเหมือนกับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อตอนต้นปีตอนที่เราฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันตอนนั้นเราเฮฮาปาร์ตี้กันสนุกสนานกัน ตอนนี้เรายังเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เรามีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความหวาดกลัวถ้าเรามีวิตกกังวลมีความหวาดกลัวก็แสดงว่าเรายังมีความทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายังสอบไม่ผ่าน ถ้าเราไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวเราเฉยๆเราปล่อยวางร่างกายได้เราเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ด้วยโรคใดก็โรคหนึ่งร่างกายนี้มันจะต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บทุกคนและแล้วก็จะตายกัน ถ้าเกิดโครคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงที่รักษาไม่ได้<ม>ก็ต้องเจอความตายกัน<ม>ถ้าเราได้ศึกษาได้สอนใจอยู่เรื่อยๆ<ม>ให้ปล่อยวางร่างกาย<ม>ให้พิจารณาว่าร่างกายกับเรานี้เป็นคนละคนกันเราเป็นใจร่างกาย เป็นลูกน้องของใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเวลาร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นไปกับร่างกายร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟทามาจากดินน้ำลมไฟ ธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่เราได้คอยเติมให้กับร่างกายอยู่ทุกวันทุกเวลาธาตุลมนี้เราเติมทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกธาตุน้ำเราก็เติมอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่เรามีความรู้สึก หิวน้ำธาตุดินเราก็เติมอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่เรามีความรู้สึกหิวข้าวหิวอาหารอาหารก็ทํามาจากดินธาตุดินข้าวก็มาจากธาตุดินเราปลูกข้าวบนดินผสมด้วยน้ำผสมด้วยลมผสมด้วยแดดคือไฟ จึงทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วพอออกรวงเราก็ไปเก็บเกี่ยวรวงข้าวแล้วเราก็มาหุงต้มแล้วเราก็เอามารับประทานกันเรากำลังเติมธาตุดินให้กับร่างกายทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารพร้อมๆกับธาตุน้ำที่เราใช้ปรุงอาหารด้วย พร้อมกับธาตุไฟที่เราใช้หุงต้มอาหารพร้อมจับธาตุลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนื้ร่างกายของเราทั้งล่างนี้ไม่ได้มาจากอะไรเลยมาจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วพอเข้าไปในร่างกาย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 เป็นตับเป็นไตเป็นปอดเป็นลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่แล้วก็ในลำไส้ก็มีอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารที่เรารับประทานกันวันนี้ก็เป็นอาหารใหม่อาหารที่เรารับประทานเมื่อวานนี้ก็เป็นอาหารเก่าแล้วนอกจากนั้นก็ยังมี สมองในศีรษะของเราแล้วก็มีส่วนที่เป็นน้ำต่างๆน้ำดีน้ำน้าดีน้าเลือดน้ำเหลืองน้ำเงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดนี่แหละคืออาการ32 ที่เป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของร่างกายของพวกเราทุกคนในอาการทั้งสามสิบสองมีมีส่วนไหนมัางที่เป็นตัวเราของเราไม่มีเลยผมก็ไม่ใช่ตัวเราของเราตัดผมทิ้งไปก่อนผมทิ้งไปตัวเราก็ยังอยู่ถอนขนไปให้หมดตัวเราก็ยังอยู่ ถอนฟันออกไปให้หมดก็ยังตัวเราก็ยังอยู่เพราะตัวเราไม่ได้อยู่ในร่างกายตัวเราอยู่ในความนึกคิดของเราของใจใจเป็นผู้นึกผู้คิดไปเองว่าร่างกายนี้เป็นเราใจมีความรู้สึกนึกคิดร่างกายไม่มีความรู้สึกนึกคิดร่างกายไม่รู้ว่าเขาเป็น ดินน้ำลมไฟเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอาการสามสิบสองร่างกายนี้เป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้เขาไม่รู้ว่าเขามีลำต้นเขามีกิ่งมีก้านมีใบมีมเมล็ดมีผลมีรากเขาเป็นธาดดินน้ำลมไฟเขาไม่มีธาดรู้ ร่างกายก็เป็นธาตุดินน้ำลมใสไม่มีธาตุรู้มีแต่ใจนี่แหละที่เป็นธาตุรู้ที่สามารถรู้อะไรต่างๆได้รู้ว่านี้มีร่างกายและสามารถใช้ร่างกายให้ ทำอะไรต่างๆที่ใจอยากจะให้ทำได้ใจอยากจะดูรูปก็มีตาของร่างกายให้ดูอยากจะฟังเสียงก็มีหูให้ฟังรับเสียงเข้ามาอยากจะดมกลิ่นก็มีจมูกให้ดมกลิ่นอยากจะลิ้มรสก็มีลิ้นให้สัมผัสกับรสต่างๆอยากจะสัมผัสกับความรู้สึก ผ่านทางร่างกายเช่นอากาศตอนนี้ร้อนเรือ่อเย็นหรื อ, รอลมที่พัดนี้กำลังพัดอยู่หรือไม่พัดอยู่เรามีร่างกายที่เป็นตัวรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เราเรียกว่าสัมผัสหรือผดทพัพทะแล้วพอสิ่งที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกาย ใจก็จะรับสิ่งที่มาสัมผัสแล้วก็ส่งไปให้ใจผู้รู้ให้รับทราบว่าตอนนี้กำลังมีลมพัดตอนนี้กำลังมีอากาศร้อนหรืออากาศหนาวตอนนี้มีเสียงอะไรบ้างมีรูปของใครบ้าง อันนี้เป็นเรื่องของใจร่างกายไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเครื่องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือตอนนี้โทรศัพท์มือถือทำการถ่ายภาพทำการรับเสียงแล้วก็ส่งสัญญาณไปให้ผู้ที่อยู่ทางบ้าน ได้รับรูปได้รับเสียงอีกทีนะึผู้ดผู้ที่อยู่ทางว่า น, นี่ก็เปลี่ยบเหมือนกับเป็นใจผู้ที่กล้องที่กำลังถ่ายภาพอยู่กำลังรับเสียงอยู่นี้ก็เป็นเหมือนร่างกายอยู่คนละส่วนกันสมมติว่าถ้าตอนนี้เกิดมีระเบิดขึ้นตรงนี้ทำให้ร่างกายทำให้กล้องถ่ายรูปนี้ เสียไปถูกทำลายไปจากแรงระเบิดผู้ที่อยู่บ้านก็ไม่ได้มีผลกระทบแต่อย่างไรเพียงแต่ไม่สามารถรับรูปและเสียงได้เท่านั้นเองนี่แหละคือความสัมพันธ์ของร่างกายกับจิตใจเป็นอย่างนี้ร่างกายกับจิตใจนี้อยู่คนละที่กันร่างกายอยู่ในโลกกธาตุเนี่ย ธาตุสี่โลกของดินน้ำลมไฟส่วนใจนี้อยู่ในโลกทิพย์โลกของธาตุรู้ไม่มีการกระทบต่อกันได้อะไรเกิดขึ้นกับธาตุสีนี้ไม่ไปทำให้เกิดอะไรกับธาตุรู้ธาตุรู้ก็เพียงแต่ขาดการรับรู้เท่านั้นเอง เหมือนถ้าตอนนี้สัญญาณถูกตัดไปผู้ที่อยู่ทางบ้านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็จะไม่ได้เห็นภาพจะไม่ได้เห็นเสียงอย่างใด ร, ร่างกายกับใจก็เป็นแบบนี้ร่างกายสบายหรือร่างกายไม่สบายมันก็เป็นเรื่องของร่างกายใจนี้เป็นเหมือนผู้ติดตามชมทางบ้านอยู่นี่ ก็ไม่ได้สุขสบายหรือทุก์ไปกับความสุขหรือความทุกข์ของร่างกายแต่อย่างใดที่สุขดูทุกไปตามก็เพราะความหลงนีง่ความหลงของใจที่ไม่รู้ว่าใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเนี่ยใจเป็นเหมือนคนดูร่างกายอยู่อีกที่หนึ่งใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย แต่ความหลงนี้ทําให้ใจไปคิดว่าใจอยู่ในร่างกายอยู่ในทุกสัท์ทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายนี้ไม่ว่าอะไรจะมากระทบกับส่วนใดส่วนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกขึ้นที่ใจทันทีอะไรมาทําให้ร่างกายเจ็บใจก็คิดว่าใจเจ็บไปด้วยแต่ใจไม่มี ไม่มีวันเจ็บใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้ความเจ็บเท่านั้นเองนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมที่เราจะต้องมาศึกษาและทำความเข้าใจให้รู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันและให้รู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายและอะไรจะเกิดขึ้นกับใจ <Yeah. S 1> เพื่อที่ใจจะได้ <Yeah. S 1> ไม่ต้องมาวุ่นวายไปกับความเป็นความตายของร่างกาย <Yeah. S 1> ใจต้องศึกษาเรื่องของร่างกายและต้องศึกษาเรื่องของใจ ให้รู้ว่าร่างกายนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนต้นไม้ที่มีการเกิดต้นไม้วันใดวันหนึ่งเราก็เห็นว่ามันก็จะต้องตายมันไม่ได้ตายด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ตายด้วยธรรมชาติของมันต้นไม้บางต้นอยู่ดีๆมันก็เน่าเปื่อยตาย ลังต้นมันก็ถูกลมพายุพัดล้มให้ตายไปลังต้นก็ถูกคนมาตัดไปร่างกายของพวกเราก็เหมือนกันมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายด้วยกันมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันมันจะเจ็บด้วยโรคอะไรมันก็มีสารพัดโรคที่จะให้เจ็บกันและสามารถเจ็บได้ ทุกระยะของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนชราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามร่างกายของทุกคนนี้จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ต่อให้ทาอะไรวิเศษขนาดไหนก็ตามต่อให้มีเงินทอง มากน้อยเพียงไรก็ตามต่อให้มีอำนาจวาสนามากน้อยเพียงไรก็ตามไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสู้กับโครคภัยไข้เจ็บได้เนี่ยตอนนี้เราคงจะเห็นความจริงกันแล้วทุกชาติทุกภาษาทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนหนุ่มคนสาว เด็กหรือผู้ใหญ่คนแก่หรือไม่แก่คนยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทุกคนแล้วก็อาจจะตายจากโรคไัยไข้เจ็บนี้ได้ด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะและเรารู้ว่าเราเป็นใครเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาติดกับร่างกายผ่านทางความอยากของใจใจเรามีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆใจของเราก็เลยส่งกระแสใจนี้มาเกาะติดที่ร่างกาย เวลาที่ร่างกายเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องแม่พอร่างกายเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใจที่ไม่มีร่างกายที่เราเรียกว่าดวงวิญญาณก็จะส่งกระแสของใจนี่มาเกาะติดกับร่างกายทันทีมาครอบครองมายึดถือเป็นสมบัติของตนทันทีแล้วพอคลอดออกมาจากร่างกาย ก็จะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทันทีนี่แหละคือที่มาที่ไปของร่างกายกับใจว่ามาพบกันได้อย่างไรทำไมถึงจะต้องมาเป็นคู่กันเหมือนสามีภรรยาสามีภรรยาของทุกคนนี้มีประวัติด้วยกันทุกคนว่า ทำไงอะไรจึงพาให้มาพบกันทําไยให้มาอยู่ด้วยกันความจริงของสามีภรรยาก็เหมือนความจริงของใจกับร่างกายนี่แหละก็คือความอยากเหมือนกันสามีก็อยากหาความสุขจากภรรยาภรรยาก็อยากจะหาความสุขจากสามีเมื่อต่างฝ่ายต่างคิดว่าจะได้ความสุขจากกันละกัน ก็เลยมาตกลงมาอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันใจก็เหมือนกันใจก็อยากจะหาความสุขทางร่างกายแต่ร่างกายของไม่ได้หาความสุขจากใจเพราะร่างกายเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่มีความรู้สึกอะไรมีแต่ใจเนี่ยไปรักร่างกายฝ่ายเดียวใจก็เลยมา ยึดติดกับร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาใจไปหาความสุขต่างๆและนี่แหละคือเป็นที่มาของความทุกข์ใจเวลาที่ร่างกายมีปัญหาขึ้นมาเพราะเวลาร่างกายมีปัญหาคือไม่สามารถทาหน้าที่หาความสุขให้กับใจได้ ใจก็เลยทุกข์ขึ้นมาใจก็เลยเครียดขึ้นมาพราะใจนี้อยู่ปราศจากความสุขไม่ได้ความสุขที่ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายใจต้องมีความสุขคอยหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนกับร่างกายที่ต้องมีธาตุสีคอยหล่อเลี้ยงอยู่เรื่อยๆ ร, ร่างกายถดขาดธาตุสีเมื่อไหร่ ก็เกิดการอาพาธกเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทันทีขาดน้ำขาดลมหายใจขาดอาหารขาดความร้อนร่างกายก็จะมีอาการเป็นไปขึ้นมาทันทีมีการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้นใดใจพอขาดความสุขที่จะได้รับผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใจก็เกิดความทุกข์เกิดความทรมานใจขึ้นมานี่แหละทาไมเราจึงกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกันเรากลัวเพราะว่าเราจะไม่สามารถใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆได้นั่นเองตอนนี้ยังไม่ทานเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถูกบังคับแล้วนะบังคับไม่ให้อ ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแ ล, แล้วใจเราก็เลยเป็นยังไงใจเมื่อต้องอยู่บ้านใจก็เลยเกิดความรู้สึกเครียดขึ้นมารู้สึกบดหงิดรู้สึกลำคาญใจตามธรรมดาตอนนี้จะต้องไปนูน่นมานี่ไปทำนูน่นทำนี่กันเพิดเพลินกับการหารูปเสียงกลิ่นรส หรือหาราบยศสรรเสริญกันแต่พอตอนนี้มีมาตรการบังคับไม่ให้ออกจากบ้านกันเพราะว่าถ้าออกจากบ้านแล้วจะไปติดเชื้อกันไปไปแพร่เชื้อกันยิ่งจะทำให้ปัญหานี้บานปลายก็เลยต้องมีการควบคุมบังคับให้อยู่บ้านกันเพื่อจะได้ไม่ไปรับเชือ้อสำหรับผู้ที่ไม่มีเชือ้อ และสําหรับผู้ที่มีเชื้อจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นนี่แหละทําให้เกิดความทุกข์ใจกันขึ้นมาทั้งๆ ท, ง ท, งที่ร่างกายยังไม่ทันเจ็บไข้ได้ป่วยทุกเพราะว่าร่างกายไม่สามารถที่จะไปหาความสุขต่างๆมาให้กับใจได้อันนี้ก็เป็นความทุกข์ มิติหนึ่งอีกมิติหนึ่งต่อไปถ้าเกิดร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจริงๆก็ต้องอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านออกไปไม่ได้หรือออกไปได้ก็ไม่สามารถหาความสุขได้ถ้าร่างกายมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่อยากจะออกจากบ้านเนี่ยไม่อยากจะไปไหนจะไปอยู่โรงพยาบาลอยากจะไปรักษาให้มันหาย นี่แหละคือความทุกข์ที่ใจรับมาจากการไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขนั่นเอง mm hmm. นี่แหละเป็นปัญหาที่เราจะต้องมาแก้กันแก้ที่ตรงนี้แก้ตรงที่เราไปเพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับเรา แล้วก็เป็นโชคของพวกเราเป็นบุญของพวกเราที่ได้มาเกิดในยุคที่มีคำสอนของคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้พวกเรานี้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วพอถ้าเราสามารถ มีความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้เราก็จะไม่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราพราเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราร่างกายจะเป็นอะไรมันก็จะทำให้เราไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่เดือดเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าตอนนี้เราถูก ก, กักตัวอยู่ในบ้าน เราไม่เดือดร้อนถ้าร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้สูงมีอาการปวดหายใจไม่ออกหรือถ้าร่างกายถึงแก่ความตายไปใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราเลิกพึ่งร่างกายได้เลิกใช้ร่างกายได้แต่การที่เราจะเลิกพึ่งร่างกายเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้ เราต้องรู้จักวิธีหาความสุขเจืรูปแบบหนึ่งนั่นเอง mm hmm. เราต้องรู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย mm hmm. และไม่มีใครรู้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าและพระอารหันตาสาวกของพระพุทธเจ้า mm hmm. นี่แหละ mm hmm. คือที่พึ่งของเราที่แท้จริงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่จะเป็นผู้สั่งผู้สอนให้พวกเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันให้เราเลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายกันแล้วให้เรามาหาความสุขผ่านการปฏิบัติธรรมกันให้เราสร้างความสุขด้วยธรรมธรรมที่มีอยู่ในใจของพวกเราธรรมที่พวกเราสามารถปลุกให้มันเกิดขึ้นมาในใจของพวกเราได้ ทำต่างๆที่พระพุทธเจ้าใช้ในการสร้างความสุขนั้นมันมีอยู่ในใจของพวกเราอยู่แล้วแต่ไม่ได้รับการพัฒนามีอยู่แต่มีกําลังน้อยและเอาไปใช้ในทางที่ผิดทำที่เรามีอยู่เช่นสตินี่เรามีอยู่แต่มีน้อยมีไม่พอที่จะทำให้ใจสงบได้ ปัญญาที่เรามีอยู่ก็เป็นปัญญาที่เอาไปใช้ในทางที่ผิดเอาไปใช้ในการหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายกัน<ม>เราต้องมาเปลี่ยนปัญญาของเราให้มาหันมาใช้หาความสุขภายในใจของเรา<ม>ให้เราเลิกหาความสุขจากผ่านทางร่างกาย พราะตอนนี้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าร่างกายนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจะทําให้เรานี้ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราได้ตอนนี้แหละเป็นช่วงที่เราจะได้ออเห็นโทษของการหาความสุขผ่านทางร่างกาย และจะเห็นคุณของการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้ใช้โอกาสนี้ได้มาวัดว่าการปฏิบัติของตอนนี้ไปถึงไหนแล้วได้ผลหรื อ, อยังบรรลุผลหรื อ, อยัง ข้ามความทุกข์ได้หรื อ, อยังความทุกข์ของร่างกายความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายความตายของร่างกายเนใจสามารถข้ามผ่านได้ผ่านไปได้หรื อ, อยังเออันนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องไปหาที่ไหนเมื่อก่อนเวลาไม่มีโรคระบาดนี้นักปฏิบัติที่อยากจะพิสูจน์ว่า ตอนเองนี่ผ่านพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้หรื อ, อยังผ่านพ้นความตายไปได้หรืออย่างนี้จะต้องหามาตรการอย่างอื่นมาทดสอบใจเน่ถ้าอยากจะรู้ว่าผ่านความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้หรือไม่ก็ต้องนั่งสมาธิไปนานๆนั่งไปจนกระทั่งร่างกายเกิอดอาการเจ็บปวดทั่วสะพางกายแล้วก็ใช้สติ ใช้ปัญญามาสอนใจให้ปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บปวดของร่างกายที่เกิดจากการนั่งสมาธิเป็นเวลาอันยาวนานโดยที่ไม่ขยับโดยที่ไม่เปลี่ยนอิริยาบถถ้ารู้จักใช้สติรู้จักใช้ปัญญาใจจะสามารถอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บ อยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะทานพอใจจะเข้าสู่อุเบกขาพอใจเข้าสู่อุเบกขาแล้วความเจ็บของทางร่างกายนี้เป็นเหมือนกับหยดน้ําบนใบบวัวมันจะไม่ซึมเข้าหากันหยดน้นํานี่ถ้าไปหยดบนกระดาษซับกระโดดซึมนี่มันจะโดดกันเป็นเนื้อเดียวกันะ ใจที่ไม่มีอุเบกขานี้มันจะดูดมันจะดูดความเจ็บปวดของร่างกายเข้าไปเต็มร้อยเลยร่างกายเจ็บปวดอย่างไรใจจะเจ็บปวดไปกับมันแต่ถ้ามีอุเบกขานี้มันจะเป็นเหมือนหยดน้ำบนใบบวัวมันจะรู้ว่าร่างกายเจ็บแต่มันไม่ได้เจ็บไปกับการเจ็บปวดของร่างกายเพราะใจมีอุเบกขา อุเบกขานี่ก็เกิดจากการมีสติถ้ารู้จักใช้สติหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดความอยากได้ใจก็จะเป็นอุเบกขาแบบชั่วข่าวถ้าใช้ปัญญาเป็นหยุดความอยากความคิดได้ด้วยปัญญาใจก็จะได้อุเบกขาแบบถาวร ใก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ปวด่วยนี่คือเรื่องของนักปฏิบัติธรรมเวลาที่ต้องการจะทดสอบเนี่ยต้องหาข้อสอบมาทำกันต้องนั่งให้นานๆให้มันเจ็บให้มันปวดแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ปล่อยวางความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้ พอปล่อยได้แล้วทีนี้ก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายถ้าใช้สติก็จะได้อุเบกขาแบบชั่วคราวพอกําลังของสติหมดอุเบกขาหมดใจก็จะกลับมาเจ็บมาปวดกับร่างกายใหม่แต่ถ้าใช้ปัญญาใจจะได้อุเบกขาแบบถาวรจะไม่เจ็บปวดกับร่างกายอีกต่อไป ไม่ว่าจะร่างกายจะเจ็บปวดเมื่อไหร่เวลาไหนใจที่มีปัญญาทำให้เป็นอุเบกขานี้จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้เจ็บปวดต่างๆของร่างกายแต่ไปแต่ไปห้ามความเจ็บปวดไม่ได้เป็นตอนนี้จะไปห้ามไม่ให้ร่างกายติดเชื้อไม่ได้แต่ใจที่มีอุเบกขาด้วยปัญญาแล้วนี้จะไม่เดือดร้อนไม่กลัว เพราะผ่านมาแล้วเคยทดสอบมาแล้วว่าเรามีภูมิคุ้มกันทางใจแลนะร่างกายอาจจะไม่มีภูมิคุ้มกันร่างกายอาจจะแพ้เชื้อแล้วตายได้แต่ใจนี้มีภูมิคุ้มกันมีปัญญาที่ทําให้ใจนี้มีอุเบกขาตลอดเวลาจะติดเชื้อจะเป็นไข้ จะตายใจจะไม่เดือดร้อนใจจะรู้สึกเฉยเฉยไม่มีปัญหานี่แหละคือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทํากันจะต้องหาข้อสอบกันสมัยที่ไม่มีโรคระบาดอย่างสมัยนี้ผู้ปฏิบัติก็ต้องสร้างหาข้อสอบกันเอาเองชทนต้องบังคับให้นั่งนานๆน เพื่อให้เกิดความเจ็บปวดตามร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้สติใช้ปัญญามาทำให้ใจเกิดอุเบกขาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของของร่างกายหรือถ้ายังสงสยัยเกี่ยวกับเรื่องให้มีมีสมุนมาแล้วไง อ่ต้องผูงเลยลองดูซิไล่ไปได้ป่ะ อ, อยากมันจะมาฟังธรรมยังไงเฮ้ยเหมือนกล้างไปดูเพื่อนหน่อยนี้ <c oughs> ได้ยินเสียงธรรมอยากจะมาฟังธรรมเขาเนี่ยเหมือนไปเหมือนไปอีกหน่อยอีกหน่อย อีกนิดไปกันหมดนะแล้วถ้าปล่อยไปเดี๋ยวมันเดินเข้ามาเนี่ยโอเคนะนี่นนคือการปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราต้องการจากการปฏิบัติธรรมก็คือทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาให้ได้ทำใจให้ของพวกเราไม่ให้ไปทุกข์ไม่ให้ไปวุ่นวายใจกับ ความเป็นความตายของร่างกายให้ได้เรียกว่าเป็นการปล่อยวางร่างกายถ้าใจมีอุเบกขาแล้วใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะเป็นอะไรจะเจ็บจะตายใจก็ไม่เดือดร้อนการเปอูเบกขาก็เป็นได้สองระดับด้วยกันระดับแรกก็ระดับของสติระดับสติก็จะเป็นอุเบกขาแบบชั่วคราว ถ้าเป็นระดับปัญญาก็จะเป็นอุเบกขาแบบถาวรแต่สำหรับผู้ปฏิบัติทุกท่านก็ต้องเริ่มที่สติก่อนระดับของสติก่อนเพราะระดับของสตินี้เป็นระดับที่ที่ง่ายกว่าระดับของปัญญานั่นเองมันเป็นที่จะต้องมีสติก่อนถึงจะสามารถไปสู่ระดับของปัญญาได้ อยางนั้นเวลาปฏิบัติกันถึงถูกสอนให้ฝึกสติกันก่อนให้เจริญสติกันให้สร้างสติกันขึ้นมาก่อนด้วยการใช้กรรมฐานเป็นเครื่องมือนั้นเองกรรมฐานนี้มีอยู่4ี่สิชนิดด้วยกันแบ่งเป็นชนิดที่สำหรับผู้เริ่มต้นและชนิดของผู้ที่ก้าวหน้าแล้วคือกรรมฐานนี้มีทั้งระดับของสติ และมีระดับของปัญญาแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติเบื้องต้นนี้จะใช้ระดับของผู้เริ่มต้นก่อนคือระดับของอนุสติต่างๆเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติอนาปนาสติเป็นต้นนี่คือกรรมฐานที่เรา สามารถใช้ในการมาสร้างสติให้มีกําลังเพิ่มมากขึ้นเพราะเราต้องอาศัยกําลังของสตินี้มาหยุดความคิดให้ได้เพราะเมื่อเราหยุดความคิดได้ใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้อยู่ที่ตรงนี้ทําไมเราจึงต้องมาเจริญกรรมฐานกันทําไมต้องมาเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกัน ก็เพราะว่าสติของเรานี่ยังมีกําลังน้อยมากยังไม่สามารถทําใจให้เป็นอุเบกขาได้ยังไม่สามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆให้ให้หยุดได้ mm hmm. ถึงแม้จะว่าเป็นการหยุดชั่วคราวก็ยังหยุดไม่ได้เพราะสติมีกําลังน้อย mm hmm. เราจึงต้องมาสร้างสติกันด้วยการมาเจริญกรรมาฐานกัน เจริพุทธานุสติก็เช่นบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเจริญธรรมานุสติก็สวดอิติปิโสไปสวดอิติปิโสนี่ก็เหมือนเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติควบคู่ไปด้วยกันเพราะบทอิทติปิโสนี่จะมีบทสวดเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณนั่นเองถ้าเราสวดไปเรื่อยๆ ใจของเราก็จะหยุดคิดได้หรือคิดน้อยลงไปแล้วพอใจเราคิดน้อยลงไปอุเบกขาก็จะเริ่มค่อยปรากฏขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยใจเราจะเริ่มรู้สึก่อยวางสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนได้ยินอะไรนิดอะไรหน่อยก็เกิดความลำคาญขึ้นมาเห็นอะไรนิดเห็นอะไรหน่อยก็เกิดความลำคาญขึ้นมา พอเรามีสติมีอุเบกขาเพิ่มขึ้นความรำคาญมันจะน้อยลงจะเห็นรูปจะได้ยินเสียงอะไรความรำคาญที่เคยมีเหมือนเมื่อก่อนนี้มันจะน้อยลงไปแล้วถ้าสามารถฝึกไปจนกระทั่งเกิดอุเบกขาแบบเต็มร้อยนี่ใจมันจะรู้สึกเฉยๆกับรูปเสียงกิ่นรสต่างๆที่มากระทบกับใจ แต่ถ้าเป็นอุเบกขาแบบสติมันก็จะเป็นแบบเอาน้ำเข้าไปแช่ในตู้เย็นเวลาออกจากตู้เย็นมาเดี๋ยวความเย็นของน้ำก็จะหายไปฉันใดอุเบกขาเวลาเราหยุดเจริญสติเมื่อไหร่อุเบกขาก็จะค่อยๆหายไปนี่คือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ตรงนี้นะ่ะ สองธรรมนี้เองคือสติและปัญญาเบื้องต้นก็เอาสติก่อนเพราะก่อนที่จะมีปัญญาได้ต้องมีสติเป็นผู้นำพาไปจึงต้องเจริญสติก่อนสร้างอุเบกขาด้วยสติไปก่อนเจริญพุทธานุสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปทำให้มากๆทำให้บ่อยๆ การเจริญสตินี้ไม่ได้หมายความว่าให้มาเจริญตอนที่เรานั่งสมาธิการเจริญสตินี้ให้เราเจริญตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเราก็ต้องเจริญสติกันทันทีจะ <Yeah. S 1> บริกรรมพุทโธพุทโธไปเลยก็ได้พอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดอิติปิโสไประหว่างที่เราไปทํา จำเป็นต่างๆเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปงควันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารอะไรนี่เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเอามาใช้ในการเจริญสติได้อย่าปล่อยให้เวลามีค่าผ่านไปโดยไม่ได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์พยายามเจริญสติบ่อยๆพยายามเจริญสติเรื่อยๆแล้วต่อไปสติจะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วพอเราต้องการให้เราได้อุเบกขาเต็มร้อยเราก็ต้องมานั่งเฉยๆเพราะถ้าเรายังมีการเคลื่อนไหวอยู่นี่จิตจะไม่สามารถสงบได้เต็มร้อยจิตยังต้องคอยสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ถ้าเราต้องการให้จิตสงบอย่างเต็มร้อยเราก็ต้องมานั่งหลับตาแล้วก็เจริญสติพุทโธพุทโธไป หรือถ้าเราจะเปลี่ยนมาใช้อนาปนานสติแทนก็ได้ก็ดูลมหายใจเข้าออกไปลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกก็ว่ารู้ว่าหายใจออกให้รู้อยู่เฉยๆอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับความคิดต่างๆที่จะมาดึงให้เราไปคิดให้อยู่กับลมหายใจเพราะตอนนี้หน้าที่ของเรามีหน้าที่เฝ้าดูลมอย่างเดียว ไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปความคิดจะมาชวนให้เราไปคิดว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรดีเดี๋ยวจะไปนั่นไปนี่อย่าปล่อยให้มันคิดอย่าตามไปให้อยู่เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจก็จะสงบใจก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายจะมีความสุข จากการมีอุเบกขาจากการเป็นหนึ่งพอความคิดหายไปใจก็จะเหลือแต่ใจเพียงดวงเดียวที่เราเรียกว่าเอกคตารมใจเป็นหนึ่งใจไม่มีความคิดมาเป็นสองใจอยู่ตามลำพังนั่นแหละคือจุดแรกของการปฏิบัติคือการจเจริญสติเพื่อให้ใจได้เข้าสู่อัปปนาสมาธินี่ สมาธินี้ก็มีสองระดับแบบชั่วแบบสั้นและแบบยาวถ้าสงบแบบงูแลาแบเล่นก็เรียกว่าคณิกะสมาธิสำหรับผู้เริ่มต้นนี้จะเจอคณิกะก่อนจะสงบแป๊บเดียวแล้วก็ตื่นเต้นตกใจแล้วก็ถอนออกมาแต่สำหรับผู้ที่คอยผ่านคณิกะมาแล้วต่อไปก็จะมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้มันถอนออกมา พอสงบแล้วก็มีสติที่จะดึงไว้ให้อยู่ต่อไปได้ก็จะเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาต่อไปนี่คือการปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้มีอุเบกขาเพื่อที่เราจะมาปล่อยวางร่างกายของเราไม่ให้ไปทุกข์กับร่างกายร่างกายมันไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ทุกข์กับความตายเราเป็นใจที่ไม่ได้ตายไม่ได้เจ็บ กลับไปทุกแทนมันเราต้องมาแก้เราต้องมาทำใจให้เป็นอุเบกขาด้วยการเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าตอนนี้เรายังไม่เจริญสติรีบเจริญกันเถิดเพราะว่ามันมีคนมีประโยชน์กับจิตใจของเรามากมันจะมาบรรเทาความเครียดความวุ่นวายใจต่างๆของเราได้ <Yeah. S 1> พอเราได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ มาหัดปัญญากันไม่ได้หัดในตอนเดียวกันตอนที่นั่งสมาธิก็เอาสมาธิอย่างเดียวแต่หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วหลังจากที่เราสามารถเข้าสมาธิได้อย่างชำนาญแล้วเราค่อยมาหัดเจริญปัญญากันมาใช้ปัญญาทำให้ใจเป็นอุเบกขาแบบถาวรปัญญาที่จะทำให้ใจเป็นอุเบกขาอย่างถาวรก็คือการเห็นใจรัก เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นในร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่มีใครไปห้ามมันไม่ให้เที่ยงได้ไม่มีใครสั่งให้มันเที่ยงได้ไม่มีใครสั่งว่าต่อไปนี้ร่างกายจะต้องมีอายุแค่สามสิบจะไม่แก่ไปกว่า น, นี้จะไม่อ่อนไปกว่า น, นี้จะสามสิบไปตลอดจะเหมือนกับเป็นบอนไซไม่บอนไซไม่ได้ร่างกายมันต้อง ไปตามการตามเวลาของมันไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้นไปสั่งให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ถึงเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยไปสั่งให้มันไม่ตายก็ไม่ได้ถึงเวลามันจะตายก็ให้มันก็ต้องตายเมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นอนิจจังก็จะได้ยอมรับความจริงได้ว่าต้องให้มันแก่ต้องให้มันเจ็บต้องให้มันตาย ถึงเวลามันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปถึงเวลาจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปแต่เราจะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ความเครียดก็จะไม่มีความอุเบกขาก็จะเกิดขึ้นทันทีใจก็จะเฉยกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ แล้วก็จะเฉยแบบถาวรถ้าเป็นปัญญาแล้วไม่ต้องใช้สติมาพุโทโธพุโทโธพอปล่อยได้แล้วพอปล่อยให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปอันนี้แหละเป็นขั้นที่สองหล่อจากขั้นปัญญาถ้าใครสามารถปฏิบัติถึงขั้นสองขั้นนี้ได้ก็จะรู้ตอนนี้แหละว่าได้บรรลุธรรมหรือยัง ถ้าเป็นถ้าไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความตายของร่างกายในตอนนี้รู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นนะแสดงว่าใจผู้นั้นอ่ะได้หลุดพน้นนะจากการยึดติดในร่างกายอันนี้เป็นรุดขั้นหลุดพ้นขั้นแรกที่เราเรียกว่าขั้นพระโสดาบันพระโสดาบันปล่อยวางขันห้าคือร่างกายกับเวทนาได้ปล่อยวางลให้ร่างกาย ตายได้ปล่อยให้ร่างกายเจ็บได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความตายของร่างกายเนี่ยจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ตอนนี้แหละคนที่คิดว่าเป็นโสดารู้โสดาลนั้นจะได้รู้กันตอนนี้ว่าให้เราเป็นโสดาลรู้โสดาว่าเ <c oughs> มื่อก่อนเราคิดว่าเราไม่เดือดร้อนไอ้ยแก่ก็แก่ใช่ไหมตายก็ตายใช่ไหมเจ็บก็เจ็บใช่ไหมตอนนี้ยังพูดได้อยู่หรือเปล่า ถ้าพูดได้ใจไม่เดือดร้อนจริงๆใจเป็นอุเบกขาจริงๆก็แสดงว่าผ่านแล้วได้ได้ผ่านขั้นที่หนึ่งไปแล้วแต่ยังมีขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปแต่พอรู้ขั้นที่หนึ่งแล้วผ่านขั้นที่หนึ่งได้แล้วก็จะรู้วิธีปฏิบัติต่อขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ตามลําดับต่อไปไม่ต้องมีครูอาจารย์มาคอยสอนคอยบอกกก็ได้ เพราะรู้ปัญหาแล้วว่าอยู่ที่การไม่มีอุเบกขาเท่านั้นเองและการที่ไม่มีอุเบกขาก็เพราะไม่มีสติปัญญามาละงับความอยากต่างๆเท่านั้นเองเนี่ยพอมีสติมีปัญญามาละงับความอยากอุเบกขาก็จะกลับมาทันทีเนี่ยนผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าขั้นต่อไปมีปัญหาอะไรแลจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยไม่ต้องไปถามใครดูที่ใจเป็นหลัก ถ้าใจยังทุกข์อยู่ก็ยังไม่ผ่านถ้าใจไม่ทุกข์ก็ถือว่าผ่านแต่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์มันต้องมีข้อสอบถ้าไม่มีข้อสอบก็ยังไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเน้นก็ต้องไปหาข้อสอบซึ่งผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าข้อสอบของตนเป็นอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาไปด้วยสติด้วยปัญญาไปตามลำดับจนต่อไปจะไม่มี ความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจทดลองข้อสอบทุกชนิดก็ไม่มีทำให้ใจทุกได้ใจก็จะปลดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์ใจก็หมดปัญหาไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ มาใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือมาสร้างความสุขมาสร้างอุเบกขากันดีกว่าเพราะถ้าเรามีอุเบกขาเราจะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วเราก็จะปล่อยวางร่างกายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้และจะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป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 สัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนาฬโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตตะวันตราโยสุขีทีคายุโกภวา พิวาทานสีิทสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางวันนี้คงจะไม่ได้ถามคำถามทางภาษาไทยเพราะว่าขอแบ่งเวลาให้กับผู้ที่ถาม ทางภาษาอังกฤษและก่อนที่จะเริ่มตอบคำถามภาษาอังกฤษก็อยากจะขอประกาศหรือแจ้งให้ท่านที่ใส่บาทตอนเช้าที่บ้านอาเภอว่าตอนนี้ทางเทศบาลนาจอมเทียนที่ดูแลบ้านอำเภออยู่ขอให้พระสงฆ์งดการบิณฑบาตชั่วคราวเนื่องจากว่ามีผู้ติด โรคโควิด -19 อยู่ในเขต น, นั้นแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้พระสงฆ์องค์เจ้าไปรับเชื้อจากการไปบิณฑบาตก็เลยขอให้พระสงฆ์องค์เจ้างดการบิณฑบาตในละแวกบ้านอำเภอไว้ชั่วคราวก่อนนับตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าไปพระที่คอยออกไปบิณฑบาต ท, ที่บ้านอำเภอก็จะไม่มีไปกัน แต่ก็จะอยู่ที่ศาลาหอฉันที่วัดยานสังวรารามถ้าท่านที่มีศรัทธาอยากจะใส่บาตรอยากจะถวายพระตาหารก็สามารถมาที่ศาลาหอฉันของวัดยานได้ตามปกติที่มีทาอยู่เป็นปกติทุกวันตอนเช้าตั้งแต่ประมาณเวลาเจ็ดโมงขึ้นไป ก็มาที่ศาลาแทนถ้าเคยใส่บาตรยังอยากจะทําต่อก็มาใส่บาตรที่ศาลาของวัดยานสังวรารามได้ตั้งแต่ช่วงเวลาเจ็ดมงเช้าไปและช่วงนี้เราก็จะคงจะต้องฉันที่ศาลาไปทุกวันก่อนเพราะว่าไม่มีอาหารจากบิณฑบาตไปฉันที่กุฏิก็จะไปนั่งฉันที่ศาลาทุกวัน แต่ช่วงที่แสดงธรรมวันสาวาัติกับกันพระก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าวาดก็จะให้ท่านเจ้าวาดเป็นผู้แสดงธรรมเป็นผู้ให้สีหน้าผ่อนในวันสาวาิติในวันพระเราก็ไปอยู่ในฐานะของพระลูกวดัดเพียงแต่ว่าแก่พรรษาก็เลยต้องนั่งหัวแถวไปแต่ต้องให้เจ้าวาดท่านเป็นผู้ แสดงทำเป็นผู้ให้สีหน้าผ่อนในวันเสาร์วันอาทิตย์ในวันพระตามที่เคยปฏิบัติมาก็ขอแจ้งเรื่องของการงวดการบิณฑบาตให้ท่านทั้งหลายที่เคยมาใส่บาตรเป็นประจำได้ทราบเอาไว้ถ้าไปที่บ้านอำเภอพวกนี้แล้วไม่เจอพระก็ยังสามารถที่จะมาที่สาลาหอฉันของวัดยานมาใส่บาตรที่วัดยานได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ต่อไปถ้าเกิดใครเอาเชื้อมาแพร่ที่วัดก็อาจจะอาจจะต้องงดก็ได้แล้วแต่ถ้ายังไม่มีใครติดเชื้อในวัดอยู่นี้ก็ยังอาจจะทําภารกิจตามปกติได้ถ้ามีแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางสาสนารณสุขให้เขาให้ความเห็นว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปตอนนี้ก็ มีเรื่องที่จะฝากท่านเพียงเท่านี้สำหรับผู้ชมที่ติดตามทางบ้านในวันนี้มีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา625เฟซบ o o k ภาษาอังกฤษ17ยู u b บ296วิทยุออนไลน์8รวมทั้งหมด946ครับอือเป็นสดๆร้อนๆนี่รู้สึกว่าคนจะติดตามกันมากหน่อย ถ้าเป็นสดเทียมนี่ก็จะน้อยหน่อยแต่ก็ยังดียังดีกว่ายังดีกว่าไม่มีอะไรเลยการแสดงสดนี่ก็คงคิดว่าจะทำเป็นครั้งเป็นคราวไปตรงนี้ก็กบประมาณอาทิตย์ละครั้งหนึ่งเพร่ะส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องการจะให้มาใกล้ชิดกันมาเจอกันเพราะไม่รู้ใครมีเชื่อหรือไม่มีเชื่อ เดี๋ยวเดี๋ยวมาฝากกันก็แลคิดว่าเอาแค่อทิละวันเพื่อแก้ขัดไปก่อนเพื่อคิดถึงกันเวลาคิดถึงกันอยากจะพูดจะคุยหรือมีเรื่องอะไรที่จะเป็นปัจจุบันทันด่วนก็เอามาพูดกันสําหรับช่วงภาษาไทยก็ขอยุติดไว้เพียงเท่านี้และต่อไปนี้จะขอเริ่มเป็นช่วงภาษาอังกฤษ